จะขอรบกวนสอบถามการสิ้นไปของพุทธศาสนาหลังจากที่ 5,000 ันปีแล้วเจ้าค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรเจ้าค่ะอ๋ออย่างถ้า ถ, ถ้ากรณีอย่างคือการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสามอย่างเนาะกิเลสนิพพานที่โพธิมณฑลผ่านมาแล้วสองพกว่าปีแล้วเออไม่ใช่เออสองพันกว่าปีใช่ ส่วนคันถปรินิพานก็ที่กุศินาราอันนี้ก็25งพกว่าปีส่วนธาตุปรินิพานจะมีในอนาคตนั่นพระเจ้าอธิฐานไว้ดังนั้นในการนี้จึงเป็นการของพระพุทธเจ้าสรุปก็คือว่าตอนนี้เป็นการที่ยังพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่นะแต่เราไม่เข้าใจเรานื้ว่าพระเนื้อว่าพระพุทธเจ้าไม่ดำรงอยูท่ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วบอกอีกนี่แหละ ว่าทำวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาสรุปก็คือพระท่าที่เกิดจากศรีระของท่านจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเป็นต้นต้นประสีมหาโพธิ์บางพุทธเจดีย์ทั้งหลายจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังการล่วงไปแห่งเราเนี่ยถ้าเข้าใจงี้เบ็ดเสร็จรการเราเนี่เป็นการดีมากๆเป็นการที่ทันพระพุทธเจ้ายังอยู่ในการของท่านอยู่ไม่มีการไหนจะเหมาะสมเท่าการนี้อีกแล้ว แต่เราประมาทและเรามีวิจิกิจฉาเยอะมันก็เลยเป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่กล้าตั้งมั่นในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างกันอย่างจริงๆนี่นะการนี้เป็นการวุฒิเย้าเหลือเกลือการปรินิพานอีกหนึ่งคือธาตุปรินิพานจกมีในอนาคตเมื่อครบ 5,000 ปีถามว่าการอธิษฐานนี้ท่านอธิษฐานด้วยอะไรด้วยอิทิลิอิทิลิที่ของท่านเป็นอภิน ญ, ญา พุทธิย่าเนี่ยท่านประเภทอภิญญาสมนาันตะละใช่ไหมท่านเข้าวิถีเข้าเข้าพิญญาเพยนี้ก่อนอยู่บิดนี้านท่านก็ที่ฐานท่านที่ฐานไว้เหมือนพระละหันทั้งหลายอาธิฐานกันเยอะแยะเมื่อปรินิพานเบ็ดเสร็จแล้วขอยสลีระของตนเองเนี่ยของท่านเองเนี่ยลอยไปบนอากาศแล้วก็เผาแยกล่างกันเยอะแยะหรือบางท่านก็ไปเผาบนอากาศนุ่นไปแยกอะไรกันเยอะแยะเบ็ดเสร็จนั้นเป็นความมหัศจรรย์นั้นคือการอาธิษฐานแต่พุทธิจ้าเนี่ยอธิฐานไว้ยาวมาก เพราะมารเนี่ยพญามารทั้งหลายกะจะให้จบเลยหรือว่าให้จบสิ้นศาสนาเลยอบอกว่าดีแล้วพุทธเจ้าปรินิพานนีจบเลยเหมือนความเข้าใจของสุภัททาวุทาวันประชิดเนี่ยเมื่อดีแล้วพุทธเจ้าปรินิพานต่อไปต้องไม่มีใครมาพระรำสอนมาบอกกล่าวบอ ว, ว่าบอกว่าสิ่งนี้ควรไม่ควรเห็นไหมสุภัททาวุทาวันประชิดก็เข้าใจเหมือนมารเข้าใจ มารก็เข้าใจว่าเราอาาธนานี่ความสำเร็จของเราเกิดแล้ ว, วพวะเจ้าปรินิพานทีเนี่ยจะได้ออกจากเส้นทางของเราได้จะได้ไม่มีคนคนมาคอยสอนสิ่งที่ถถกอะเราก็จะได้โปรยยาพิษยาหอมหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายติดอยู่ในโลกนี้ให้นานเนี่ยมันเป็นการสู้กันนะเป็นการสู้กันนะใช่ไมขันธมารกิเลสามารอภิสังขารมารมัจจุมาร เทพบุตรมารเทพพุทธมารนี่คือมารคือเทพบุตรเลยถ้าหัวหน้าเทพบุตรทั้งหลายคือวัสดีมารอย่างนี้อย่างเงี้ยนั้นเป็นการสู้กันเลยแล้วมารก็โปรยยาพิษเขาไว้โปรยสีเสียงกีดรสสัมผัสเขาไว้โปรยตรงนี้ล่อเขาไว้ใช่ไหมล่อให้ติดสัตว์ทั้งหลายก็ติดทีนี้ถ้าพุทธเจ้าจีิงๆพระเจ้ทาทําให้สัตว์ทั้งหลายเข้าใจความจริงของชีวิตเนะ่ยไม่ติดเหยื่อ ไม่ติดเหยื่อล่อไม่ติดกับดักไม่เสพเหยื่อล่อแบบแบบประเภทจนไปติดกับดักโดนกับดักโดนโดนโดนบ่วงดักเอาไว้แล้วก็ลากไปฆ่าไปทำไมไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายที่พระเจ้าก็รับประทาธนาแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเห็นไหมพระเจ้ามีการบริญีพานสามอย่าง กิเลสนิพานที่พระสีมหาโพธิ์แล้วขันของพระพุทธเจ้ารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญาณซึ่งยังมีใจครองอยู่ก็ประกาศเลยใช่ไหมรูปขัน์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ประกาศพระสัจธรรมออกจากหาไทยออกจากพระโอษรู้ไหมพระธรรมก็เนรมิตโอ้โห พารยาบุคคลตั้งแต่ว่าโสวดาบานจะเป็นบ้านหลังนั้นไม่หมดเลยเนืนืมากนกะสะดุ้งสะเทือนมากตามอาราตนาให้บริณิพานเร็วๆที่สุดจริงๆท่านก็ยืนยันตลอดใช่ไหมว่าถ้าบริษัทของพระองค์ไม่ตั้งมัน่นไม่เปิดเผยไม่สามารถแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยสามารถปรับพระพวาติคือสามารถบอกกล่าวเปิดเผยได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมทั้งหลายยังไม่แข็งแกร่งทางใดจังไม่บริริมกาน ทีนี้พอแข็งแกร่งจริงๆเบ็ดเสร็จก็ก็รับปราธนาที่สุดจริงๆก็ปฏินิพพานที่กุสีนาราใช่ไหมพอปรินิพพานปุ๊บพระเจ้าก็บอกก่อนเลยบอกว่าทำแล้ววินัยจะเป็นศาสด า, ศาเรียบร้อยเลยมารบอกโอ้โหเลยใช่ไหมมารก็อันตรธานไปก็เอาอยู่แล้วพระพระเจ้าอยู่ในฐานะของว่าท่าอยู่ในฐานะของว่าทำทีนี้มารก็ ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วเพราะอยู่ในฐานะของพระธรรมพระธรรมก็อยู่ในใจของบุรุชนเขาอีกโอ้โหเรือ่อนี้ใช่ไหมฉะนั้นเมื่อพระธรรมอยู่ในใจของบุรุชนนะเมื่อพระธรรมอยู่ในใจของบุรุชนบุรุชนก็เป็นคนอ่อนแอทั้งกําลังกายและกําลังญาณ น, นะเรองากว่าอะไถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่า พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในฐานะแห่งพระธรรมและพระธาตุเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าอยู่กับจิตใจของพผ้าริยะทั้งหลายใช่ไหมถ้าไปประดิษฐานอยู่ในกระแสะจิตของพผ้าริยะถ้าพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานอยู่ในกระแสะจิตของผ้าริยะทั้งหลายก็ตั้งมั่นก็แข็งเกร็งแต่พอต่อมาเนี่ยเริ่มถดถอยลงเลย ยิ่งในอนาคตเนี่ยกำลังกายและกาลังของยานนะของบริษัทซึ่งประดุดดังข้าราชการของพระเจ้าก็จะอ่อนแอลงตอนนี้พระเจ้าก็เริ่มอยู่ในใจของผู้ประกาศพระธรรมน้อยลงน้อยลงและความฟัน่นเฟือนเลือนเลอะทั้งด้านยานและปัญญาก็น้อยลงก็เลยมีทั้งคำสอนพระเจ้าก็มีสิ่งที่แทรกคำสอนพระธรรมก็เริ่มไม่บริสุทธิ์ ตัวพระธรรมในบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ความเห็นของบุรุชนทั้งหลายซึ่งไม่เข้าใจพระธรรมก็เอาความเห็นตนเองเข้าแทรกแทรกสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มแยกได้ยากขึ้นอันนั้นนะ่จุดเสื่อมที่โยมตุยถามมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแปลว่าเสื่อมจากใจของบริษัทของท่านก็เข้าในหลักบอกว่าพทธเจ้าจะโปรดคนที่มีศรัทธา พราท่านที่กล่าวว่าทำไม่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าก็เลยไม่ไปหาบุคคลนั้นแล้วเข้าพระธรรมปฏิรูปก็จะก็จะเหลือแต่สั ญ, ญลักษณ์เหลือแต่รูปแบบก็จะค่อยๆเป็นไปจนถึงมีสั ญ, ญลักษณ์เป็นพระเหลืองคล้องคอหรือห้อยหูหรือหรือผูกมือผูกเท้ามีลูกมีเมียนั่นคือพระในอนาคตแล้วที่สุดจริงๆ เมื่อครบการ 5,000 ปีที่พระองค์อธิษฐานไว้ภระสิทธิ์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็จะเลื้เลือนจากใจคนหมดแล้วพระธาตุทั้งหลายก็จะไปรวมกันใช่ไหมรวมจุดใหญ่เลยก็คือพุทธคยารวมเป็นองค์ของพระบรมศาสดาเทวดาพรหมทั้งหลายก็จะมาเฝ้าเนืองแน่นมากเพื่อเป็นการดูพระพุทธเจ้า ฟังพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้าก็จะแสดงปฏิหารอย่างหลากหลายสัตว์ทั้งหลายจากสะเทือนใจจะร้องไห้มากกว่าวันบรลลีพานที่โดยคันเที่ยบณัพานแล้วเตโชวธาตุก็จะเผาไฟจากไหม้จนเหลือพระธาตุองค์สุดท้าย ก, ก็ยังมีไฟติดอยู่จนหมดนะพระธาตุจากในจั ก, กรวาลทั้งสิ้นนะ ที่พระโลมาธาตุทั้งหลายที่เทวดาพรหมทั้งหลายไปเอาไปประจำตอนนี้พระศ า, าสดาทำรรกิจของท่านอยู่นะมารว ม, มก็ไปรวมกันหมดมก็เตโชธาตุกระเผานั่นคือการปรินิพานโดยธาตุปรินิพาน<ม>โดยธาตุปรินิพานสัตว์ทั้งหลายก็จะสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ได้เสด็จกลับไปรว ม, ม หายไปเลยไม่ไม่อยู่เลยพระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้แค่นั้นเอง